3. โอวาดวาัา 6. จีระสัพพนาสิกขาบทว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณีเรื่องพระอุทายี175สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นผู้ชำนาญการตัดเย็บจีวรภิกษุณีรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าพระคุณเจ้ายิฉันขอโอกาสพระคุณเจ้าช่วยเย็บจีวรให้ด้วยเถิดเจ้าข้าทีนั้นพระอุทายีได้เย็บจีวรให้นางภิกษุณีนั้นยอมอย่างดีเรียบร้อยดีเขียนภาพตามจินตนาการตรงกลางแล้วภาพเก็บไว้ครั้งนั้นภิกษุณีรูปนั้นได้เข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่า พระคุณเจ้าจีวรนั้นอยู่ไหนเจ้าค่ะท่านพระอุทายีตอบว่าน้องหญิงมาเถิดเธอนําจีวรผืนนี้ไปตามที่พับเก็บไว้แล้วจงห่มจีวรผืนนี้เดินตามหลังภิกษุณีสงมาในเวลาที่ภิกษุณีสงมารับโอวาทครั้งนั้นภิกษุณีรูปนั้นได้นําจีวรไปเก็บไว้ตามที่พับแล้วได้ห่มจีวรผืนนั้นเดินตามหลังภิกษุณีสงมาในเวลาที่ภิกษุณีสงมารับโอวาท พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพลธนาพวกภิกษุณีไม่กลัวบาปใจถึงไรยางอายจนถึงกับได้เขียนภาพตามจินตนาการไว้ที่จีวอนภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าภาพนี้ใครเขียนภิกษุณีนั้นตอบว่าพระคุณเจ้าอุทายีภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าภาพจินตนาการประเภทนี้ถึงพวกนักเลงตัดช่องย่องเบาไม่กลัวบาปก็ยังไม่เห็นว่างาม ชไนพระคุณเจ้าอุทายีจึงเห็นว่างามเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพลนทนาว่าฉไนะท่านพระอุทายีจึงเย็บจีวรให้ภิกษุณีเล่าครั้นภิกษุณีเหล่านั้นตําหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ